อาตมาพร้อมด้วยพละนักสงฆ์มาจากอาตมาสี่รูปห้ากับตัวอาตมาและกับท่านอาจารย์ในในวัาอะไรวัดต่ า, างๆนะต่างๆสี่องค์รวมกับเป็นเก้าองค์โดยมากเฉพาะคนไทยทคนจีนใครก็าตามทำบุญต้องเอาพระเก้าลูกมันเป็นประเหง เป็นขนมรำเนียมพันธ์ดีงานแต่เรารู้ไหมว่าพระเอาลูกหมายถึงอะไรอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ได้แต่เราทําไม่ได้มันดีแล้วพระเอ้าลูกหมายถึงสังฆคุณก้าให้รู้จักว่าพระสวดสังฆคุณก้าวข้อแรกสุปฏิปัโนพระคาวาโตสาวกัสังโภพระสงฆ์สาวก ของพระภิกษุภาค เ, เจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติทีแล้วอุชุ ป, ปฏิปนโนพระคัมภีสาวกสังโฆสงสารกของพระภิกษภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วมยูเข้าข้อด้วยกันแต่ถ้าจะพูดมากมนก็ยาวไปนี้อีกในหนึ่งเป็นมุมกลับ <c oughs> เป็นมุมกลับนีว่า สังาคุณก้าหมายถึงทําการทํางานให้ก้าวหน้าไม่ฟอยด์ mm hmm. ดังนันการทํามูลให้ผู้ตายครบรอบวันนี้เ mm hmm. ื้ออะไรเปี่ยนเ mm hmm. ปลือกอินทรลักษณวันนี้อาตมาจับไม่ได้แต mm hmm. ต้องถามโยม mm hmm. เพราะว่าโยมเป็นลูก mm hmm. การทำมูลหาคนตายนั้นดีแล้ว mm hmm. แต่คนตายนั้นหมายถึงอะไร เราบางคนอาจเข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียมันจะเป็นคนไทยพูดก็ต้องพุดภาษาอินเดียคนอินเดียฟังต้องรู้คนไทยฟังไม่รู้ถ้าไม่แปลอย่างที่สวดอย่างที่สวดกันเมื่อกี้เนี่ยบางคนฟังไม่เข้าใจนะเนี่ยเขาสวดกันสวดเยอน้อย เมื่อแต่าทีเ่เนี่ยแบบสวดนาโมตัสขาพุทังโยจุฬา ม, มากจัจะถาให้สรแต่ไม่ได้สวดมงค์พลราะว่าเวลาเห็นว่าพอเหมาะเท่าใดก็สวดแค่นั้นมันเป็นภาษาบาลีเลยแต่พระสงฆ์องค์เจ้าสวดข้อไม่ได้แปลเมื <c oughs> ่อแปลแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่พระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ก็ไม่เข้าใจเปจริงไหมบางองค์นั้นสวดแล้วคันธ์แปลมันไม่ขัง คนมันต้องสอบขังเครื่องรางของของังกระจุกมนยันการปลุกเศษอะไรทั้งหมดมันไม่ใช่ถูขงของขังฝักติดอะไรกันเครื่องรางของของังกระจุกมนยั ญ, ญาคาถมคาถาสาลิกาดินทองขังจริงสําหรับคนผู้ที่ไม่รู้ถ้าคนรู้แล้วไม่ขังไม่ฝักติอะไรกันพูดให้ฟังโดย ท่วมตินใจเพราะว่าโยมไปมีมนุษ่์นานถึงได้มามาทั้งจังหวัดลาดบุรีเับลาดบุรีเนี่ยไกลนะอยู่กรุงเทพก็มานรั่วโมหัวมาต้องพูดคนจริงให้ฟัง<ม>เครื่องรางของ ข, องของังกระตุดมนงัน์ า, า, าสมคาถาสาริการินของเชื่อว่าขังน่ขังสำหรับสุขคนผู้ที่ยังอ่อนปัญญาปัญญายังไม่แหลงคมเขา อ, อ, อย่างนั้น ถ้าคนมีปัญญาแหลมผมแล้วไม่ใช่ขังไม่ใช่กปริษฐพระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องให้หมันดังพระพุทธเจ้าท่าสอนให้คนมีปัญญาคนจะล่วงทุก้กไปได้เพราะปัญญาไม่ใช่คนจะล่วงทุก้กได้ความอ่อนปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นการทําบุญให้คนที่ตายตา ย, ตายไปแล้วสีปีแล้วหกปีหกปีแล้วตายไปแล้วหกปี เราก็ต้องทําบุญทุกปีทุกปีดีแล้วคําว่าทําบุญหาคนตายเนี่ยให้โยมคิดให้ดีคนที่สมมุติอย่างที่เอาตัวอาตมาเองอยากจะดีก ว, นะว่านะพ่ออาตมาพูดภาษาทางนี้มันก็ไม่เข้าใจสมมุติพ่อตามาตายแม่อาตมาตายหรือสามหรือภรรยาตายลูกตายอาตามาต้องเศร้าใจหงงใจเพราะคนตายไปแล้วเนี่ยก็ต้อง ที่น้องมาปรับความเข้าใจบัด น, นี้คนที่มาปรับความเข้าใจนะไม่มีปัญญาพอไปมีมนตออ์อพระมาปรับทําความเข้าใจพระก็ต้องมาแสดงกุศลาธรรมมาให้ฟังและอนิจจาอะไรต่างๆที่ท่านสวดข้ามาท่านบางองค์ก็ไม่รู้ <c oughs> บางองค์ก็รู้หมายถึงอะไรกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอายาคตาธรรมม า, า, า, มาหมดแรก เรีว่าอภิธรรมเจ็ดตอบแตก็ว่าเหตุปัจเยโยอาลัมมนาปัจเยโยอธิปจีปัจเยโยมีความหมายยังไงบางทีพระที่มาสวดก็ยังไม่รู้นางที่โยมคนที่ฟังเขฟังเอาบุญไม่รู้อันนี้แสดงว่าคนไม่รู้กับคนไม่รู้สอนกันก็เลยไม่รู้เรื่องดีฉะนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธไม่แหละคนไทยคนจีนคนไหนไหนก็ตามแล้ว ถือศาสนาพุทธถือเอาจิตเพียงาศาสนาพิ ธ, ธีเท่านั้นแต่ไม่ได้ถือเอาเนื้อในใจควมเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราหมดทุกข์ไม่ได้สอนกันอย่างนั้นดังนั้นถ้าท่านมาสอนมาปรับมาปลอกผมเข้าใจว่าคนที่ตายตายไปแล้วจะทำยังไงคนที่อยู่เบื้องหลัง เราจะทําอย่างไรจรึงจะมีการกินการใช้จึงจะไม่ทะเลาะวิวาทผิดเสียงกันทั้งสองอยงนั้นเราต้องทําความเข้าใจซึ่งกันเลยกันในขนาดช่วงระยะที่ตายนะสองสามวันเนี่ยต้องมีมุนอภารมาให้มาศิกาบางสกุลทุกวันทุกวันสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันท่านก็มาปรับคนเข้าใจไม่ต้องคิดอะไรให้มันเดือดร้อน เราคนที่อยู่พี่น้องกันต้องมาประชุมกันบ่อยๆใครมีความขัดข้องยังไงก็ต้องมาเสนอแนะกันแล้วก็สบายใจขึ้นมาพ่อพี่ๆน้องๆเขามาเดี๋ยวนี้พระมาท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งกุวลกุศลาธรรมาเหตุปัจเจยโยแล้วก็เอาปัจัยแล้วก็ไปท่านไม่ได้สอนให้เราเข้าใจที่อาตมาม า, มานี่ไม่ได้พูดอะไรมากเพื่อทความเข้าใจ พ่อตายแม่ตายเราอยู่เบื้องหลังพี่น้องเราจะทำยังไงอ้าวเดือนละครั้งก็ได้มาประชุมกันคุณมีเรื่องอะไรทะเลาะวิวาสกับใครคุณทำผิดด้วยทำถูกมาแก้ไขปัญหาอันนั้นให้มันตกไปก่นสอนยั ง, นยงไงนานๆเข้ามาสองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งนะนานๆเข้ามาปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีถ้าพี่พี่น้องน้อง มาประชุมกันเห็นหน้าเห็นตากันก็สบายใจท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ทําตามเนื้อหาสาระอ่านนั้นมาทําเป็นเพียงพิธีาศาสนพิธีเท่านั้นแล้วข้อเข็นเวญกรรมอะไรมันก็นเลยไม่ตกไปไม่ตกไปคขมทุกข์ขมเดือดร้อนคขมสับสนวุ่นวายคขมขัดใจจิตใจเศร้าหมองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร <c oughs> เท่าที่ควรในการทําบุญนั้นท่านสอนอย่างนั้น ดังนั้นอาตามามาครั้งนี้ก็มาสแสดงให้ฟังด้วยความจริงใจเมื่อวันที่ยี่สิบห้าอาตามาก็ไปสแสดงธรรมเรื่องคนตายเช่นเดียวกันที่จังหวัดเลยก็ต้องไปพูดให้ฟังทาความเข้าใจกับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจอย่างที่นโมตักศะนิยมพูดได้ทุกคนอาตามาก็เคยพูดได้แต่สมัยเมื่อเป็นเนนเรียนแปลมาเพื่อเปลี่ยนเนแต่ไม่รู้กนมา แต่ได้นาโมตัสสะพระคัมภโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมันไม่ได้ขังตักจิตอะไรท่านบอกว่านาโมตัสสะพระคัมภโตแปลว่าขอนบน้อมแตบบ่พระอวิภาคเจ้าองค์นั้นให้นบน้อมดีกว่านบน้อมผู้เท่าผู้แก่ครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาหรือตัวเองเนี่ยขอนบนออหนอมอะระหะโตแปลผู้ไกลจากกิเลสไกลจากข้าศึกหรือไกลจากอันตราย ถ้าเรารู้จักเคารพนุน้อมรู้จักกราบรู้จั ก, จกไหว้เราก็ไม่มีความเดือดร้อนกินเลสเราก็ไม่เข้ามาใกล้ เ, เป็นอย่างนั้นสัมมาสัมพุทธาพระพุทเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองตัดสินูกโดยชอบว่าทําอย่างนี้มันดีทําอย่างนี้มันดีเนี่ยแทนสอนอย่างนั้นอย่างที่พระสวดเมื่อกี้เนี่ยพุทธังสรารนางังคฉ า, ามนี่ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไทยได้จริง เรากําจัดไม่ได้เราทําเป็นเพียงศาสนาพิธีเท่านั้นทำมังสารนังคชาญนี่ข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไทยได้จรงิส ง, งสรางคังสารนังคชาญนี่ข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไทยได้จริงกําจัดได้ที่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ทะเลาะกันอาตามาพูดกลมจลืนนะอาตามาไปจังหวัดเลยเมื่อจะกี้เนี่ย ไม่เซมิติกีล่ะเมือเม่อวันที่ยี่สิบห้ามันที่ยี่สิบห้าไปถึงจังหวัดเลยก็ปรากฏว่ามีพระเอายาเบื่อให้กันกินเอาเงินกันเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้หลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจให้มันดีการถือหลักพระพุทธศาสนานี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียก็พูดภาษาอินเดียคนอินเดียฟังต้องเข้าใจ ภาคแท้ๆก็ยัง ม, มีอิศราตาลอนกันแย่งตับสมบัติกันเสียงเงินไปตั้งสามสี่หมื่นกว่าบาทเอาเงินไปฝากธนาคารน่คนที่เอายาให้กินก็ไปซอกเอาใบอะไรอาตมาไม่รู้ไม่เคยรู้จักที่ใบเขาใบบัญชีหรืออะไรใบหนังสือที่ทางธนาคารทำให้เนะีนะ่ยก็ไปหาเอาได้สอ ง, งใบก็เลยไปเบิกเอาธนาคารเลยพอดีเบิกเอาเงินแล้ก็ห น, นีองา น, น ตรงนี้ก็เป็นบ้านงวงนอนเลยนี่แสดงว่าพระอยู่ที่ไหนโยมให้โยมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทองคำแบานี้พระธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือพระสงฆ์ไม่ใช่ลูกสาวบ้านไอ้อ ย, อยนี้นบัดนี้อาจจะมาพูดจีดเดียวนะคํานี้ดูมันจะเหมาะสมกับญาติโยมอีกด้วยและเหมาะสมกับเพื่อนพิสษุน์มเนินเราฟังกันในขณะ น, นี้ผ้าเหลือง เป็นเครื่องมืออารามหากินอย่างงามเขาถวายให้แล้วไว้อีกทีเอาของถวายพระยกมือไหวอีกเลยด้วยนะเราต้องการเขาถวายให้แล้ไวไหวอีกทีอยากได้ของดีๆงามๆแปลกๆแผนอื่นได้จากกี่หมื่นกี่แสนก็ยังอยากได้ตามเดิมยิ่งได้หัวใจยิ่งเพิมเหมือนไฟฟืนเติมยิ่งลุกยิ่งอมือกลาง หาได้ทุกทิศทุกทางจึงได้วางบายหรือแผนการให้ได้ทุกวิธีท่านสอนอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจกฎหมายดังนั้นอาตมามาไม่ใช่มาแต่ให้โยมรู้จั ก, จกพระไม่ใช่มาอธิบายตำหนิปิเตียนพระเจ้าพระสงฆ์อะไรเพียงมาแสดงให้ฟังเท่านั้นบัด น, นี้พระสวดพุทธังทำมังสังขังจบไปแล้วสามรอบตั้งใจฟังดีๆนะโยม ถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วง่วงหลับง่วงนอนอาจจะมาจะพูดอีกในหนึ่งแต่พูดคำนี้ก่อนอยโยจักกุมาโมหะมล า, าปะกโทเป็นภาษาบระดีท่านพระองค์ใดนี่มีพระปัญญาจับสุ ข, ขจัดมุลทินคือโมหะเสียแล้วเนี่ยคนใดที่กำจัดโมหะได้นั่นแหละี่ว่าเป็นพระแท้นยสางวัพุโทโธสุขโตมุตโตเนี่เป็นผู้ไปดีมาดีนี่พูดโดยจักกุมาให้ฟัง แล้วก็ต่อตปกระจุบจบแล้วกระท่านก็ตั้งอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะไปอย่างนั้นอาเสวนาจะพาลานังเราจะไม่คบคนผานนั้นบันดิตานันจะเสวนาปูซาจะปูซานิญาณังเอกตมังคลบุตมังเราจะคบบัณฑิตเป็นสิริมงคลแต่คนผ่านข้างนอกโยมต้องเข้าใจว่าดึมสุลาเที่ยวกลางคืน เลินการพัน น, นัพบคนควบเป็นนิสเกียดขานการงานหลายเรื่องอบายยมุขท่านว่าสอนเดีวอันนั้นเป็นคนผ่านข้างนอกแต่บัณฑิตข้างในบัณฑิตข้างนอกบัณฑิตก็ผู้ศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกเนครัข้มาหรือว่าศึกษาทางโลกได้ปริญาตีปริญาโธปริยาเอกก็เป็นบัณฑิตเราจะไปอยู่กับท่านได้กี่วันเพราะการทําม า, าหากินเรื่องอาเรื่องอาซีบของเรา เราไปอยู่กับท่านมันก็นไม่ได้วันนี้คนผ่านภายนอกเห็นเขากินเหล้าด้วเราหายตัวเราหนีไปก็หายแล้วแต่คนผ่านภายในพิโยมมันลุกด้วยนั่งด้วยไปไหนมาไหนไปด้วยเข้าห้องน้ำห้องส้วมมันก็ไปด้วยในคนผ่านภายในคนผ่านภายในคืออะไรเราพรธเจ้าท่านว่าอาศัณนาจะาลานางพาลาเป็นคนผ่านคนผ่านภายในคือโทสะ โมหะโลภะสามตัวนี้เป็นคนผ่านภายในบันดิตานันจา่าเสวนาปูซาจะปูสานิญาณังเอตมังคะลุมุตมังเป็นสิริมงคลครบบันดิตคือคบกับสติคบกับสมาธิคบกับปัญญาเป็นบัณฑิตในตัวดังนั้นวันนี้ก็ได้พูดไวแล้วว่าโยมฟังธรรมะก็เราพูดให้ฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจคําพูด ญาติโยมเกียรติธรรมะแต่ญาติโยมไม่ได้เกียรติธรรมะแต่ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็ง่วงนอนไปน่นะง่วงนอนก็เลยหลับไปอย่างที่อาตมาพูดในบางคนฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้พูดเรื่องอนิสงส์คำว่าอานิสงส์โยมก็หูตั้งเข้ามาฟังแล้วสบายใจตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์นี่เขาใจจังเพราะทุกคนต้องการเมืองสวรรค์แต่เมืองสวรรค์อยู่ที่ไหน ไม่รู้ตัวทามาเองไม่แต่พูดคนอื่นบวชเป็นเนรปีหกเดือน 2, สองพันษาบวชเป็นพระหกเดือนหนึ่งพันษาไม่รู้ว่าสวรรค์นิพพานหรือ น, อนรกไม่รู้เลยเคยเรียนมาเหมือนกันเล็กเ็กน้อยน้อยแต่ไม่ได้เรียนมากม่รู้ต่อมาเมื่อมาทมเยวันเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา มีความรู้สึกตัวเกิดมีความสํานึกได้ออกญาติโยโมเกียรติธรรมะพระสงฆ์เกียติวินัยเมื่อญาติโยมเกียรติธรรมะแล้วธรรมะก็ไม่มีในตัวพระสงฆ์องค์เจ้าเกียติวินัยแล้วก็ไม่ไม่ได้ประพฤติไม่ฏิไม่ได้ปฏิบัติวินัยมรรคผลนิพพานก็เลยไม่ปรากฏท่านสออย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไปเอาสวรรค์นิพพานหลังจากการตายแล้วเดี๋ยวนี้ทําไมไม่เอาเพราะเรื่องอะไร พราะคนมาสอนนั่นก็บอกว่าทําบุญมากๆตายแล้วจึงไปเกิดสวรรค์เมื่อสร้างสมอบรมมากเท่าไรก็ยินได้มากเท่านั้นไปเกิดเมืองสวรรค์ไปสเสวยสุขอยู่เมืองสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นเมืองมนุษย์นี่เป็นคนนี่อีกเลยเป็นคนสวยรวยทรัพคนมีกิเลสมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิงมันก็ต้องอยากได้อย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นทูตของสวรรค์ ญาติโยมก็ไปติดต่อทูตไปให้ทูตส่งภาษาไปคุยกับเทวดาได้ อ, อย่างนั้นโยมอยู่ที่นี่เคยบวชกี่คนเคยบวชบวเท่าไหร่บวชเจ็ดวันครับเจ็ดวันเคยบวชวชแล้วประสึกไปได้นะครั บ, รบนั่นให้โยมรู้จักว่าสมมุตสิสงไม่ใช่เป็นภระสง์โดยแท้แต่เป็นสมมุติเขาเรียกวสมมุ ต, บญญติบัญญัติบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายแต่ไม่ใช่เป็นสงโดยแท้ สงโดยแท้นั้นทนวยายยปติปันโนภะวาโตสาวกัสังโโสงสาวกของพระภุยภาคเจ้านั้นหมไดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนคนได้ออกจากทุกข์ได้ไม่ให้โทสะโมหะโลภหรือความเกียดแค้นแน่นใจทำให้จิตใจเศร้าหมองพยายามหลีกเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นเพราะจิตใจเศร้าหมองเป็นของที่ไม่ดี คนใดลีกเลี่ยงได้นั่นแหละคือพระสงฆ์โดยแท้ท่านนี้ว่าอุดชุปฏิปัโนหรือยายาปฏิปนันหรือสามิจิปฏิปัโนโรเรื่องสังฆผลเก้าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระสงฆ์ทางนั้น <c oughs> ดังนั้นโยมไปฟังธรรมะกันดียว่าโยบุคโลอันว่าบุคละคนใดได้ทําบุญภาสัดพึ่งหรือทําบุญสร้างกระถินบวชลูกหลานได้อานิสงส์เท่านั้นกลับเท่านี้กลับ โยมก็สบายใจกับนึ่งเท่าไหร่โยมเคยรู้ไหมไม่รู้อาตมาไม่รู้เอาเข้าไปตัก บ, บาตรครั้งเดียวตอนเช้าได้พระละหกขับห <c oughs> นังสือมีอาตมาเป็นเนนจําได้เท่าทุกวันนี้เอาอาหารไปส่งพระตอนเช้าได้อานิสงส์ห้าขับเอาอาหารไปส่งพระตอนกลางวันได้อานิสงส์สี่ขับกั บ, กบนึ่งเท่าไหร่โยมรู้ไหมไม่รู้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วโยมจะทํำยังไง แสดงว่าทำตามตามกันมาเท่านั้นไม่รู้เนื้อในใจควมมีความหมายอย่างไงไม่รู้ดังนั้นวันนี้อาจจะมาได้รับมาแสดงทัาเดียบมาเสนอสนองให้พวกคุณทำบุญอุทิศให้แก่คนที่ตายคนที่ตายตายไปแล้วฝังไม่ได้คนที่เป็นนี่แหละคือมีลูกกี่คนมีไอ้น้องกี่คนสิคนครับสิบคนนั่นแหละพ่อของเราแม่ของเรา เราได้เนื้อหนังมาจากใครที่ไหนใครเอาให้เราพอเราแม่เราสร้างเราขึ้นมาท่านตายแล้วแต่ตัวของท่นแต่ท่านไม่ตายเมื่อเรายังไม่ตายท่านก็ยังไม่ตายอ้าวถามโยมก็ได้โยมอมีครอบครัวหรือหรือยังมีครับมีแล้วมีทุกี่คนสองคนครับสองคนถ้าลูกคุณพูดง่ายสอนง่ายคุณสบายใจไหมสบายใจถ้าลูกคุณสอนยากคุณเป็นยังไงลำบากลำบากใจเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ให้เข้าใจอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันสิบคนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันเสมอเสมอเดือนละครั้งเลยหรือสองเดือนหนึ่งครั้งหรือปีกี่ครั้งเราต้องมารวมกันมาทำความเข้าใจกันเมื่อเราทําความเข้าใจกันอย่างนี้พอเราคนที่ตายไปแล้วก็สบายใจแม่เราที่ยังอยู่ก็สบายใจตัวเองก็สบายใจเพราะว่าไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ผิดข้องต้องเถียงกันไม่เคร่งแค้นแน่นใจกันอันนี้แหละคือบุญแท้ทําบุญให้แก่ผู้ตายคนที่ตายก็ได้รับเราก็ได้รับเช่นเดียวกันสมมุติกันเข้ามาอีกพักหนึ่ง <c oughs> คนที่ตายเนี่ยหรือคนที่ยังก็ตามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาคนอื่นมาจับมาดูมาลูปมาคําแล้วก็สบายใจถ้าหากเป็นลูกเราหรือเป็นสามีภรรยาของเรามาจับยิ่งสบายขึ้นมากใช่ไหมนี่ย เราต้องเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนของจริงไม่ได้สอนเครื่องหลอกลวงอะไรจังหะผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออารามหากินอย่างงามเขาถวายให้แล้วว่าอีกทีอยากได้ของดีๆงามๆแปลกๆแผนอื่นได้จากกี่หมื่นกี่แสนก็ยังอยากได้ตามเดิมนั่นยิงได้ก็หัวใจยิ่งเฮิมเหมือนไป ฟ, ฟืนเติมยิ่งลุกยิ่งมือกลางยิ่งได้ทุกทิศทุกทางจะได้วางอุบาย หลอกลวงก็ได้ได้ออยังไงก็ได้พูดไปมากมันก็มากนะเรื่องเพลนี้เราต้องเข้าใจให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรถ้าใครง่วงนอนก็แสดงว่าคนนั้นไม่มีธรรมะคลองใจนะ <c oughs> ให้เข้าใจอย่างนี้นะธรรมะคือตัวทุกคนนะั่นแหละคือธรรมะการกระทาดีเขาเรียกว่าธรรมะทําชั่วก็เรียกาอาธรรม อากุศลธรรมมาทำชั่วอะพญากตาธรรมมาทำไม่ดีทำไม่ชั่วจึงกุศลธรรมาคนที่มีกุศลมีบุญกุศลก็แปลว่าสลาดเพลงถ้าคนยังอ่อนปัญญาก็ยังไม่สลาดเขาเรียกว่าคนที่ไม่รู้จักหรือคันพูดตรงๆเขาเรียกว่าคนยั ง, งโง่มากอะอย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่งโง่ดอกเพราะมันไม่รู้ฟังธรรมมาจึง ง, ง่งเหงาเหานอนเพราะไม่พูดเรือ่องอา น, นิสงส์ให้ จะไปพูดทําไมเรื่องอานิสงอานิสงก็เปรียบดังที่โยมทํานาโยมทํานาทีแรกต้องเอาเข้าวเปลือกไปหวานลงในนาท้องนามันแตกขึ้นมาเป็นนอ ก, ก้าแล้วมันเราไปไถนาคาดนาดีแล้วไปถอนข้าวค้าออกไปดำนาพอได้ดำนาไปแล้ว ต้นกล้านามันกลับขึ้นมันเป็นลำลำเฟืองขึ้นมาพอ <MUR> ดีเป็นลำขึ้นมาแล้วบัดนี้มันกับมารบ้านหลวงพ่อเดียวเข้ามารถนี้จะวายังไงเข้ามันมารวายังไงเข้าเข้ามาตั้งท้องครับแล้วตั้งท้อ ง, งเออตั้งท้องเหมือนมันกับมากรตั้งท้องอันเดียกันนะพอดียมารตั้งท้องก็มานานๆก็มันแกก็เลยแตกออกมาได้ไหมเนี่ย <im it> มันเกิดขึ้นมาเดีวมันเข้าเข้าถอดออกมาแล้ว ข้าวทอกออกมาเนี่ยมันเป็นข้าวรีบทั้งหมดเลยไม่มีไหนมันก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยพอดีนานหลายมือหลายวันน่ะข้าวมันก็มันเอาตูดแล้วเอาโคดมันือนแตกขึ้นมามันรับอากาศข้างข้างนอกอากาศก็ดูซึมเข้าไปข้างในไม่ข้าวเม็ดข้าวเราอ้วนเข้าวอ้วนข้าอ้วนเข้ามากเข้ามาหลายเป็นอ้วนข้าวข้าวก็เลยก้มลงค้มลงน่ะงวยลงงวยลงเม็ดรีบก็น้อยเม็ดอ้วนก็มาก พอดีมันเต็มที่มันแล้วก็ปิดปิดตูดมันนะ <c oughs> ก็เลยแก่ขึ้นมาบันนี้พอดีมันแกขึ้นมาเราก็ไปตัดไปเกี่ยวเอาใช่ไหมเนี่ยเอาไปเกี่ยวออกมาเอามาแล้วก็มาทํำยังไงฟาดตีหรือว่ายังไงหลวงพ่อไม่รู้ทางภาษาเราฟาด <c oughs> <c oughs> ตีเอาเก็บเอาแต่ไม่เข้ามีไหนไม่เข้าไม่มีในไม่เอาบันนี้เราเอามาแล้วเนะ่ะเอามาเอามาใบ ไ, ไหนยุงในสารเอาไปเข้าลงสีสีเอาเข้า เป็นข้าวสารออกมาข้าวสารก็ยังกินไม่ได้ต้องเอามาหุงมาต้มให้เป็นข้าวสุกเรากินข้าวสุกอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจว่าคนไทยก็ตามพวกคุณเป็นคนจีนใช่ไหมเนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนเนียคนจีนก็เช่นเดียวกันเราให้เลือกกินอาหารกินแต่นเนื้ออย่าไปกินข้างถ้าไปกินข้างกินกระดูกนั่นอะ ไม่เหมาะสมกับคนที่เข้าใจว่าเราเป็นสาวพุทธถือศาสนาพุทธให้เข้าใจอย่างนั้นบ้านนี้ข้าวรีบก็กินไม่ได้บ้านหลวงพ่เรียกว่าข้าวผีไม่ใช่ข้าวรีบเข้าไม่มีใน่เขาไม่มีไน่เอามาเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะเรามีข้าวบีในสักกระสอบเดียวก็ได้แต่ข้าวไม่มีในจากร้อยกระสอบเอาข้าวร้อยกระสอบเข้าไม่มีไน้ไปเปลี่ยนเอาข้าวมีในกระสอบเดียวโยมเอาไหมไม่เอาแน่ คนมีปัญญาเขาไม่เอาอย่างนั้นนะเราไม่ต้องกินข้าวเปลือกเราต้องกินข้าวสุกข้าวเปลือกฟางเอาให้ใครฟางไว้ให้ไว้ควายเลี้ยไปทําเพาะเห็ดก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีการพาะเห็ดมาเน่ข้าวเปลือกเอาไปทําไรเลี้ยงหมูก็ได้เลี้ยงไก่ก็ได้ข้าวรีบเข้าไปมีไงไม่มีใครเอาเลยเขาเรียกวข้าวหีเข้าไมปมีนงเข้าไปมีวิตามินข้าวตั้งร้อยก็สอบ จะเป็นแรกเอาเข้าที่มีในกระสอบเดียวกรมให้ออกนี่ให้เขาใหญ่อย่างนั้นบบบนี้ข้าวเนี่ยนะถ้าเป็นข้าวดีนะข้าวแก่ข้าวดีเอาไปข้าลงสีสีออกมาเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวที่ไม่ดีข้าลงสีเป็นข้าวที่สองข้าวที่สามข้าวปลายหักไปตามขั้นตอนคนเราก็เช่นเดียวกันระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันฟังแล้วต้องเข้าใจ การทําบุญต้องฟังต้องเข้าใจทํำกลมเข้าใจให้ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจให้ถูกต้องเราก็เป็นเข้าตายไปอย่างนั้นดังนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ตัวเราคนโบราณบ้านหลวงพ่อเลว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจถ้าอยู่ที่ใจแล้วเราอยู่ที่ไหนทํายังไงรู้ได้ไหมไม่รู้ตัวของอาตมาเองเคยทําบุญวัดสวรรค์เป็นยังไง นิพพานเป็นยังไงไม่รู้เลยและโยมที่ก็อาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้นะบางคนอาตจจมาพูดอย่างนี้ให้ฟังฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าคนไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองธรรมะธรรมะคำนี้อยากเข้าใจว่าเป็นตัวหนังสืออยากเข้าใจว่าเป็นพระพุทธลูกคือตัวเรานี่แหละเป็นธรรมะคือตัวเรานี่แหละเป็นพระพุทธเจ้า คือตัวเรานะ่คือพระธรรมคือตัวเราเนะ่ยเป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือภัยคนมีสติปัญญาจิตใจไม่เศร้าหมองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคือตัวการกระทาตัวบุคคลกระทาไม่ให้จิตใจเศร้าหมองให้จิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นแหละคือพระธรรมบัดนี้พระสงฆ์ คือผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยรู้จั ก, จกเคารพนับถือบิดามารดารู้จั ก, จกเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จั ก, จกเคารพนับถือครูอ า, าจารย์รู้จักเคารพนับถือเพื่อนฝูงของตัวเองและที่สุขยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือพระสงฆ์แท้นี่ น, น่าจะว่าพระสงฆ์ไม่ใช่ลูกสาวบา้าน คือบุคคลผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนั่นแหละเดี๋ยวผ่าสงฆ์ให้พวกเราผู้ที่ฟังตั้งหกตั้งใจฟังการทำบุญอุทิศให้คนที่ตายต้องได้รับแน่นอนถ้าเราทำดีต้องได้รับแน่นอนเพราะเราเองเป็นคนทำเราเองเป็นคนสบายใจเมื่อเราเองเป็นคนทำเราเองได้รับความเดือดร้อนคนที่ตายก็ยังไม่ได้รับเพราะเราก็เดือดร้อนแล้วเขาจะรับไปทำไม ให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเชื่อฟังคําพูดอัตมานฟังไม่ใส่ใจไม่เชื่อเอาไปวิเคราะห์วิจัยดูว่าเนื้อแท้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกทุกสมุทัยมีรสมรคท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราไปกินก้างกินปลานะมันก็ไม่มีรสมีชาติอะไรไปกินเอ็นถ้ากินเนื้อมันก็ไม่มีรสมีชาติอะไร ถ้าไปกินเนื้อจริงกระดูกมันก็ยิ่งแล้วบ้านหลวงพ่อเองอันเนี้ยแต่ก้างเอ็นกระดูกไม่กินแต่ท่านไม่รู้แต่ท่านท่านเอาไว้อย่างนั้นพอดีกินออกไปก้างแล้วก็เอาแขกไปกินเต็มเนื้อมันเอ็น<ม>แล้วก็ย่ําไม่ได้เอาวางไว้กระดูกก็กินไม่ได้เอาวางไว้เอาให้ใครก็ให้สุ น, นัขให้แมวกินทั้งนั้ สุนัข ก, กับแมวมันได้กินกระดูกกินข้างที่เอ็นมันก็สบายใจมันเสีเนี่ยดังนั้นเราเป็นคนไทยถือศาสน า, าพุธทธทํารู้จักแต่เพียงศาสนพิธีก็สบายใจก็ดีแล้วเห็นเหลืองเหลือมม า, ายกมือไหว้ก็สบายใจอแต่ให้เราทําตัวของเราให้เป็นพระได้ถ้าเรายังเป็นพระไม่ได้ก็แสดงว่าเราคนหนึ่งยังไม่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นที่อาตมาได้มาเสนอแนะ ให้พวกเราเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานั้นอย่าพึ่งเข้าใจว่าตัวอาตมามาทาลายตัวอาตมาไม่ได้มาทำลายตัวอาตมามาพยายามทำความเข้าใจกับญาติโยม เ, เพื่อนพิกิตรสมณีให้เรารู้จักเลือกผัดจัดก็ให้ทานมาตัวเล็กๆอาตมาพูดให้ฟังเนี้ยเอาเข้าไปตักบาตรครั้งเดียวได้ภาระกลับ เอาอาหารเป็น่งผ้าตอนเช้าได้พละห้ากับเอาอาหารเป็น่งพระกลางวันได้พละสี่กับกับนึ่งเท่าไหร่ก้วงลอยโยดลึกลอยโยดลอยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาที่เอ า, มาเมล็ดงาไปทิ้งใส่ทิ่งใส่บอ่อใส่เหวอันนั้นนะ่ะถ้ามันเต็มลาดเตียนเหมือนกับหน้ากองก็เป็นหนึ่งกับเถ้าพูดทางสูงก้วงลอยโยดสูงลอยโยด ร้อยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีนั่นแหละเทวดาได้หนึ่งปีแล้วเทวดาจะเอาผ้าอ่อนๆมาปัดดอยอันนั้นนะ่ะครูอันนั้นละ่ะเขาอันนั้นให้มันลาบเตียนเหมือนนากรก็เป็นหนึ่งกลับโยมไม่ต้องคิดเอาใครมีกระถุนเล็กๆใบเดียวก็ตายเอาไปนอนเยียงครั้งนอนตื่นมาเอามาเล็ก ง, งาไปทิ้งใส่เม็ดเดียวทุกวันนะไม่ใช่เอาร้อยปีนะแต่ได้ไปถึงตายก็ไม่เป็น แน่นอนไม่ติดนี่เพราะว่าฟังธรรมะไม่เข้าใจก็ง่วงนอนไปอย่างนั้นอันนี้แลวครับว่าญาติโยมเเกียดติธรรมะพระสงฆ์เกียรติที่ไหนพระสงฆ์ก็เกียรติที่ไหนเกียรติที่ไหนที่ตรงไหนพอดีบวกเข้ามาญา่ิโยมอาจจะเข้าใจก็ได้ น, น, นะพอดีบวกเข้ามาท่านไปไปแสดงพระปฏิโมกปงอบาบัตในโบสถ์ในสิ่แสดงพระปฏิโมก คนที่แสดงเก่งก็ต้อง30สนาทีสี่สิบนาทีองค์ได้แสดงไม่เก่งก็ต้องโซโมงกุ่วพระบวชไม่ก็ตามบวกเก่าก็ตามแต่พระปฏิโมกไม่ได้ท่านแสดงพระปฏิโมกโกงวงนอนเหน็เหมือนกับโยมฟังธรรมานั่นเองเพราะไม่รู้เรื่องพูดเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าหาพระว่าเกียรติวิ น, นัยแต่ความจริงพระไม่ได้เกียรติวิ น, นัยพระปวงอวบัตดเรื่อยๆแต่มันฟังไม่เข้าใจท่านว่าเดี๋ยวพระเกียรติ ท่านแสดงพระปสิโมกนะโยมทำอย่างนั้นต้องอบัตสังคาทำอย่างนั้นต้องอบัตปจิตธีทำอย่างนั้นต้องอบัตธุระใจทำอย่างนั้นต้องอบัตทุกปตทำอย่างนั้นต้องอบัอ ต, ออบ ป, ต, ตออบปราซิกท่านแสดงอย่างแต่เป็นภาษาบาลคนไปฟังก็เลยไม่รู้เรื่องง่วงนอนไปเหมือนกับโยมฟังธรรมะอย่างที่อาตมาพูดนีนะ่บางคนก็ง่วงนอนนี่โยมพระสงเกตรวิไน ย, ยปฏิบัติตามวิไนยแต่ไม่รู้กฎหมายอาบัแตแปลว่าอะไร ไม่รู้ก็สัพตตาอาปิติโยอะโลเจมิสัพปตาอาปิติโยโอโลเจมิสัพตตาอาปิติโยโอโลเจมิสัพปปาาพาคุาาลุกก า, าปไปตามเรื่องปัสสัติอาวุโสตาปิติโยไฟตาเรือันนั้นเป็นเป็นคําพูดอาบัตเรียกวความติเตียนนักปาติเตียนทําไม่ถูกอะท่านสอนยังท่า น, นถ้านักปาติเตียนแล้วท่านว่าเป็นอาบัตคนผานยกยอจะนั่นเสริญลอยคน บัณฑิตคนเดียวตำหนิพระพุทธเจ้าท่านกว่าผิดท่าว่า อ, อย่างนั้นบัด น, นี้เราไม่เข้าใจคันคนผานส่วนหลายคนก็เอาชนะมันไม่ได้คนหลายคนแต่ไม่ได้เอาชนะคนเอาชนะใจเราเอาชนะใจเราคนโบราณท่านจึงสอนเอาชนะคนอื่นร้อยทีพันทีหมื่นทีแสนทีก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้เอาชนะตนข้างเดียวไม่ได้ท่านว่าเอาชนะตนเอาเอาชนะที่ตรงไหนเอาชนะที่มันนึก คิดขึ้นมามันอยากทําไม่ต้องทํามันอยากพูดไม่ต้องพูดมันอยากคิดไม่ต้องคิดสิ่งที่ผิดดังนั้นคนเราการทําพูดคิดไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองทําแล้วก็ไม่รู้ความละอายคนไม่รู้ไม่มีความละอายการทําพูดคิดคืออะไรเกดยานโยมก็ต้องเข้าใจอย่างที่อาจะมาพูดในถ้าคนมีปัญญาคนใดทําพูดคิดไม่รู้สึกตัวเองนะ่ะใคร ก็สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองแต่คนมันไม่เป็นแต่แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเน่ยทำไมตายไปแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าใจมันเป็นแล้วเนี่ยนะอย่ว่าคนใดทําพูดคิดเห็นจิตใจตัวเองเห็นใจตัวเองมีความละอายเป็นไรทั้งหมดเป็นเทวดาทิรนี่จึงมีความละอายแก่ใจเนี่ยนะโอตะปะโคมเกงโอตบาปกรรมแต่ ที่พูดแล้วพระสงฆ์ก็ย่าเอายาเบื่อไปให้การกินท่านจะถือว่าพระสงฆ์ที่ตรงไหนอันนั้นมันเป็นสมมุติสงฆ์ให้เข้าใจว่าอย่าไปทําลายเราต้องเคารพเอาไว้ถ้าหากไม่เห็นสีเหลืองเหลืองนี่จิตใจก็เศร้าหมองถ้าเห็นเหลืองเหลืองเข้ามายกมือไหว้ก็สบายใจแต่เราอย่าไปยึดไปถือแบบนั้นให้เราทําตัวของเราเนี่ยเป็นพระแท้เป็นพระสงฆ์แท้อยอดสมมุติบัญญัติและประมัาบัญญัติ อัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติบัญญัติทมเป็นตัวบทกฎหมายอย่างที่บวชเข้าไปเขาต้องโอนผมมีอุปตาอาจารย์บอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดครับริ จ, ท, จ, รรจ ท, ท่านทออ่าท่าเท่านท่านท่านท่านท่านติานท่านห่านท่านท่าท่านท่านทานท่านท่นท่าน่านานท่านท่า่านาน่านท่านานท่านท่านท้านท่านท่านท่เนทานท่ามท่านท่านทน่าน่นนทนทานทานท่านญญาาน คนไม่มีปัญญาคนลึกหน่อยแต่มันไม่ลึกสําหรับคนที่มีปัญญาว <c oughs> ันนี้เราเห็นไหมครูโรงเรียนครูโรงเรียนก็เป็นคนนำบรรดาอย่างพวกเรานี้เองเขาว่าสมมุติให้เป็นครูโรงเรียนก็ต้องเป็นครูเนี่ยเรียกว่าหน้าที่ของครูวันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านขเขาก็เลือกขึ้นมาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนนำบรรดาเนี่เองเขาให้เปลี่ยนขั้นไปยังให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำ น, นัน เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการทุกนแผนกเลยเขาสมมุติให้รู้จักหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ น, นั้นให้มันเจริญให้มันกล้าวหน้าจึงว่าทำให้หลักพระพุทธศาสนาเจริญได้คนที่ไม่รู้จักสมมติแล้วถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างบางทีถูกน้อยผิดมากกว่ามีคนถ้ารู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วถูกมากผิดน้อย ดังนั้นพุทธศาสนา จ, าจะเจริญก็ต้องอาศัยบริษัทสี่คือพิกษุพิกษุนีอุบาสกเบสิกาสีบริษัทนี้เองประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยอยู่แล้วมรรคผลนิพพานไม่ว่างจากโลกนี้ถ้าหากสี่คนนี้แหละอยู่โดยชอบพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้แต่ตอนนี้ก็อยากจะพูดเน้นให้ญาติโยมได้เข้าใจคําว่าพระอรหันต์นี้ แต่พระอรหัน์คนสมัยนี้กับสมัยครั้งพุทธกาลมันไม่เหมือนกันพระอรหันคนสมัยนี้เขาต้องว่านั่งอยู่ที่นี่ต้องมองเห็นคนทําอะไรอยู่ที่ไหนบางทีเขาหมุนโรตี่สลากกินแบ่งก็ไปเห็นเนี่ยนั่งอยู่ก็เห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์พระอรหัน์ปุถุชนมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านว่าอแต่พระอรหัน์ในหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นคือสอนให้รู้จัก จ, กจิตใจตัวเองมันนึกมันคิด เราเห็นเรารู้จังสันติโกณ อ, อันผู้รู้จกพึงเห็นเองเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็ปฏิบัติเองแล้วศาสนาก็จะเลิญได้บัดนี้จิตใจมันนึกมันคิดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจทํำไปตามอารมณ์คนไม่รู้จักอา่านเหมือนกับอยู่ในถ้ำที่มืดมิ ด, มดนานแสนนานมาแล้วในถ้ำมันมืดมิ ด, มดนานแสนนานเลยนะคนไม่มีปัญญาเข้าไปในถ้ำไม่รู้จักวิธีติดไฟ ก็มืดบอดอยู่ที่ตัวนั้นดังนั้นคนเรามาเกิดเป็นคนไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ศึกษากับพักกับพวกมืด อ, อยู่เน่เขาว่าอันนั้นดีกขไปเขาว่าอันนั้นเลวไม่เอาบางที่ของดีเขามาลอกเราว่าเป็นของไม่ดีเราก็เลยไม่เอาแต่เป็นของดีนะดังนั้นคนนี้เรามาเกิดเป็นคนนี่เสมือนว่าเราเกิดแล้วพบแล้วพุทธศาสนาเมื่อไร เราจังจะเอาธรรมะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ให้ได้ดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็อยากพูดให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องบริสัทธ์อีกสักพักหนึ่งเพราะเราเข้าใจว่าภิกษุคือผู้ชายภิกษุณีคือผู้หญิงอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงเรียกว่าเป็นบริสัทธ์ศเดี๋ยวนี้บริสัทธ์หนึ่งคือภิกษุณีไม่มีแล้วอันนั้นเอาไว้กอดตาลา อาตามาอยากพูดบริษัทสองคำว่าบริษัทสองมีในตำราไหมไม่มีแต่มันมีภิกษุก็ได้แก่ผู้ชายเมื่อบวชเข้าไปแล้วก็ศึกมาคุณเนี่ยบวชแล้วก็ะศึกใส่็จไหมเสร็จศึกแล้วศึก็เป็นโยมเนี่ยเองมันเป็นเพียงสมมุติบริษัทนี้บรัทเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยคือเพศหญิงกับเพศชายนี่แหละปฏิบัติพระธรรมวินัยก็จเจริญขึ้นมา เมื่อสองเพศนี้ไม่ปฏิบัติแล้วมันจะมืดไปคาว่ามืดไม่ใช่มือดอย่างที่เราไปกลางคืนหรือมือดอยู่ในถ้ำมืดใจใจไม่รู้อะไรควรไม่รู้อะไรไม่ควรไม่รู้เราก็เลยติดเอาสิ่งที่ไม่สมควรมาเป็นสิ่งที่สมควรพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสอนเอาไว้อย่าเห็นผิดเป็นถูก อย่าเห็นทุกเป็นสุขอย่าเห็นซั่วเป็นดีอย่าเห็นผีเป็นเทวดาอย่าเห็นควมไม่ดีว่าเป็นของดีเราเข้าใจกันอย่างนั้นเดียวนี่คือยังเห็นของไม่ดีว่าเป็นของดีเห็นของผิดก็เป็นของถูกไปซะเพราะมันตรงกันข้ามคำว่าบริษัทสี่นี่โยมคิดเอาเองนะอันนี้ไม่ได้มีในตำราแต่มันตรงเขากับตำรา อย่างสมมุติพระสงฆ์องค์เจากก้าก็ตามโยมก็าตามไม่รู้ธรรมะเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนที่ไม่รู้มันทำตามเมื่อทำตามแล้วก็ทำให้หลักพระพุทธศาสนาเสือเส่อมไปเสื่อมไปจืดไปจางไปหมดไปอย่าคนที่ไม่รู้เนี่ยประกาศธรรมะว่าตัวเองรู้ธรรมะนั่นแหละทำลายหลักพระพุทธศาสนาบันนี้คนที่ไม่รู้ไม่สอน ไม่เตือนใครอยู่ไปกินไปทาการทำงานไปตามหน้าที่ไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมและไม่ทำให้เจริญคนบัด น, นี้คนอีกคนหนึ่งรู้ธรรมะแต่ไม่สอนเข้าไปอยู่ในถ้ำในภูอยู่คนเดียวจินคนเดียวไปไม่เทศไม่สอนนั้นก็ไม่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจริญขึ้นมาได้แต่ตัวเราจเจริญคนเดียวเพราะเราไม่ทําผิดคนที่รู้ไม่ทาผิด พอเจริญคนเดียวแต่ไม่ทําให้โลกจเจริญได้คนใดรู้ธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของแท้ของจริงควรจะเผยแพร่นำไปเทศไปสอนให้บุคคลที่ยังไม่รู้ได้รู้ให้บุคคลที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจให้บุคคลที่ยังไม่เคยได้ฟังให้เขาได้ฟังให้บุคคลที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติ ตามแนวคําสอนของพระธรรมนั่นแหละบุคคลที่ทําให้พุทธศาสนาเจริญแท้พระจึงเป็นผู้สอนคนโยมเข้าใจพระคือเป็นผู้สอนคนนั่นเองใครเป็นคนสอนก็คนสอนคนนั่นเองพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นพระคันท้าพระสงฆ์องค์เจ้าโดยสมมติขึ้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นสอนคนเขาเรียกว่าพระอริยสงฆ์ถ้าคนญาติโยมผู้ที่เป็นมีครอบครัวผู้ที่ไม่ได้บวชนะ ไปสอนกันเขาเรื่อพระอริยบุคคลอันนั้นเป็นพระอริยสงฆ์ท่านว่าพระ ution, อริยบุคคลกับพระอริยสงฆ์ก็เป็นคําเดียวกันอริยสงฆ์ก็เป็นสงฆ์โดยสมมุต e ิอริยะบุคคลก็สมมุติเป็นบุคคลที่ว่ามีสมมุติบัญญัติบัญญัติขึ้นมาในตัวบทกฎหมายท่านว่าอย่างนั้นจึงว่ามีสมมุติบัญญัติมีอัตถะบัญญัติมีอริยะบัญญัติสมมติบัญญัติ ดูมองเห็นได้อย่างที่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันครูประสะัสยาลตำรวจทหารสมมุติขึ้นมาเมื่อกเกษียณจะขอขทอดออกไปได้ก็เหมือนกันสมมติม่าเนี่ยปารละมัธเหลี่ยมของจริงๆโดยสมมุติอัฏฐบัญญัต ย, ยากบุคคลที่จะรู้ยากที่ตรงไหนก็ยากบุคคลที่จะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเทันว่าคนใดไม่เห็นจิตแห็นใจตัวเองจะว่าอย่างไงก็คล้ายๆ ค, ค, คือสัตว์นีิเอง แต่แข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนใจเป็นสัตว์เพราะทำการทำงานพูดคิดอะไรไม่มีความละอายในใจอยากทาอะไรก็ทำไปเห็นไหมยโยมสัตว์มันไม่มีความละอายมันอยากท่ายอุจระที่ไหนมันก็เอาเลยนี่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมบ้านอาตมามันเกิดขึ้นมามันกินนมแม่มันสุนักเนี้ยคนก็กินนมแม่มเหมือนกันมัวค้อยก็กินนมแม่เหมือนกัน แล้วทำไมสุนัขเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วแม่มันไปกินข้าวที่มันเก็บไว้มันหัวมันกกัดแม่มันได้นี่ยแลเป็นอย่างนั้นถ้าคนจิตใจต่ำขนาดนั้นเน่ยจะเป็นคนได้ไหมเป็นได้แข้งขาหน้าตาแต่ใจเป็นสัตว์ดิ拉萨นั่นหมียว่าคนนั้นไม่ใด่เป็นเป็นมนุษย์จิตใจยังต่ำไม่รู้จักเคารพตัวเองนั้นบัดนี้คนใดทําพูดคิดเห็นจิตเห็นใจตัวเองมีความละอายนึกในใจไว จะทําอะไรก็ต้องมีความสว่างอยู่ในใจมีขมละอายมีฤทธิ์ขมละอายแก่ใจโอตตาป่าขมเกงโตาาัตบัดคนนั่นก็เลยเป็นเทวดาได้จริงว่าเทวดาก็สมมุตินั่นเองเยียงว่าคนใดมีสติปัญญาสามารถที่จะมองเห็นได้คนใดไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเทวดาทิพตตาทิพมันต้องไปอย่างนี้ตาทิพต้องเห็นเนี่ยต้องเห็น เกว่า um สมมติกะเทวดาอุปติกะเทวดาบิสุทธิเทวดาสมมุติเอาเทวดาก็ได้คนทำดีพูดดีคิดดีเขาก็เรียกว่าคนนั้นเหมือนกับเทวดาคนนั้นเหมือนกับพระธรรมใจดีเนี um ่ยเขาว่าอย่างไงโยมเคยเห็นผีบ้างไหมเคยเห็นผีบ้างไหมผมยังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยแต่เคยได้ยินเคยได้ยินเขาพูดไหมเคยเคยน่าจะดีโยมเห็นเทวดาไหม ยังไม่เคยเห็ น, นเทวดาก็มีจริงไหมนั่นนะเนี้อแสดงว่าไม่มีตาปัญญาอินทรีย์ยังไม่แหลมคมอัตมาพูดให้เข้าใจเลยเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีนั่นเองผีก็คือคนทาชัว่วพูดสั่วไอผ้ผีบักผีปีผีเนี่ยคนมีตาทิพย์จึงเห็นได้คนมีปัญญาจึงไม่ใช่ร่างกายเป็นนะใจมันเป็นใจมันเน่าเปียกเสด็จ เ, เหมือนอุจจาระนั่นเองทาง่านอ้จารยผีมันอยู่ที่ตรงนั้น ดังนั้นเราเป็นคนในเมืองกาญจนนครนีน่จะเอาผีมาไว้หรือจะเอาเทวเทวดามาไว้ที่ตรงนี้ถ้าเราเอาผีมาไว้ที่ตรงนี้ก็ผีเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเรือนเป็นเจ้าของเป็นสำหนักงานกฎหมายอะไรต่างๆอยู่กินก็ผีพาทํามันก็ต้องทําไปเนี่ยไอผ้ผีบักผีทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําให้เดือดร้อนแม้ไม่เดือดร้อนในตัวมันสังคมก็เดือดร้อนบ้านใกล้เคียงก็เดือดร้อนเพราะคนไม่ดี อูที่ไหนต้องนําแต่ความเดือดร้อนบัด น, นี้คนที่ทําดีพูดดี<ม>ก็เป็นเทวดาคุ้มครองป้องกันกันได้คนใดไปอยู่ใกล้ก็สบายใจเทวศาสนดังนั้นพวกเราเกิดเป็นคนไทยก็าตามคนจีนก็นาตามต้องศึกษาหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้ว เ, เราจะไปกินเอาข้าวผีเราจะไปกินเอาแตกระดูกแต่เอ็นแต่ก้างเนื้อแท้ไม่ได้กิน ถ้าเราเป็นคนไทยหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสาวผูจ้จริงๆเราไม่ต้องกินก้างและไม่กินขา้าวหลีเราต้องหากินแต่เนื้อกินเนื้อมันให้กำลังมันให้โปรตีนมันรักษาร่างกายสุขภาพเราได้ถ้ากินก้างเข้าไปบางทีปักคอหมือเป็นอย่างนั้นก็ไปหาหมอมาอีกแล้วกระตุ้นมนยันเครื่องรางของขั ง, งการปลุกเสกดี แต่ไม่ดีสําหรับคนสลาก ด, ดีสําหรับคนคันธว่าคนโง่มันก็เครียดแต่ความจริงคนโง่กับคนไม่สลาดอันเดียวกันนะโยมนะเข้าใจนะคนไม่สลาดเนะี่ยจึงโง่เครื่องรางของครั้งคนเกิดมาเนี่ยต้องหาเรียนขคาถมคาถาป้องกันนะอยากดีเนะี่ยต้องไปเรียนคนะาถาสาลิกาลินทองอะไรอะ่ะอยากให้ซื้อ ง, ง่ายขายคล่องเนี่ยนะอันนั้นมีไว้แต่รัง เขาบอกเครื่องรางของขังมีไว้สำหรับอะไรสำหรับลอกคนผู้ที่ไม่รู้คนที่ไม่ไม่รู้คือใครก็คนไม่สลาดนั่นเองคนไม่สลาดคือใครก็คนงูถ้าคนโงเขียนคนณคันพูดว่างูเขียนแต่คนที่สลาดเขาจะไปทำไมมันหนักเสียเวลาการทามาหากินเราจะไปเรียนมันทำไมอย่างนั้นอาจจะมาไปเรียนมาแล้วอาจจะมาไปเรียนกับปัญหาคูนมาสามเดือนวามา เด็กโง่ยาโง่คืออาตมาอาตมางโง่มาเลื่เรื่องนี้ฝรั่งเศสเขามาอยู่เมืองลาวเขามีเรือคนไปแล่นตามริมแม่น้นําโขงไปหดดอนพงแล้วนกยุงเจ้ายขุนมานี้ปล่อยออกไปเอาปืนยิงไม่ออกกันเขาแต่มีความเล่าลือกันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เห็นเขายิงแต่ว่าเขาว่าปืนยิงไม่ออกไปอือนกันแต่บางทีอาจจะลูกด้านยิงไม่ออกก็ได้นะไม่เป็นอย่างนั้น วันนี้อาตามาเขาอยากได้อยากดียก็ไปเรียนนําท่านคำมนของท่านอะอมธุรีธุรีตั้งคอกูมีแผ่นทองกัง้งผ้าตั้งหน้าผากกูแกนปันหินตีนกูแกนปันเหล็กวะเนี่ยคาพูดของท่านหลายพอดีอาตามาไปปฏิบัติธรรมมารูลบงคอตัวเองเนี่ยโอ้ตายจบใจเลยไม่มีแผ่นเหล็กแผ่นทองอะไรมากั้งมาบางังอะไรทั้งหมดเลยนี่แสดงว่าสมมุติ พูดให้คนที่โง่โง่นั่นเหล่ยเสื้อฟังไปตอนนั้นเองที่ว่าเครื่องรางของขังกระตุกมนณันมีสําหรับหลอกคนที่โง่โงนั่นเองถ้าพูดอย่างนี้หยุดอย่าเครียดนะใครเครียดก็ตกนรกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยสอนคนให้สลาดมันไม่มีอะไรวันนี้คนแข้งทอน้ำขาคนแข้งเป้ากระปิวหน่าภาคในแก่นปันหินนัอ้าวเขาตีกระแตกแล้วแบบ น, นี้ ข้าวเราบะเนี่ยมันแก้งมันแข็งไปเยียบน้ํากับข้าวมันจะมีความจริงที่ตรงไหนแต่คนโง่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนั้นอันนี้แหละนามาเตือนญาติโยมเพราะจังหวัดราชบุรีเนี่ยนานยังได้มานะอาตามาแต่คุณอะไรชื่ออะไรคุณคครรัับบไปดิมนมาให้มาแสดงเรื่องทาบุญอุทิศให้แก่คนตายคนตายเขาได้รับถ้ายมสลาดถ้าโยมไม่สลาดแล้วคนตายก็ไม่ได้รับเพราะเราทําความเดือดร้อนมันจะได้รับอะไร ก็ได้รักเจ้ากรมทุกนั่นเองดังนั้นเทวดาให้โยมเห็นกันเสียผีให้โยมเห็นกันเสียมีตาทิพย์ขึ้นมาวันนี้ได้อย่าวดวงตาเห็นทำโอกําลังคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วผีทําแล้วไม่ใช่เป็นเทวดาทําแล้วเนี่ยเขาใหญอย่างนั้นเยียงว่ามันไม่มีความละอายคนใดไม่มีความละอายในการทําการพูดการคิดผีทําไม่ใช่คนทําใจมันเป็นผี ใจเป็นสัตว์เดลัสาจิว่าหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนเดียวมนุษย์เดลัสานุมนุษย์เดรัสาทาอย่างสัตว์มันก็เป็นสัตว์สัตว์จิวมีมากในพื้นดินในสัตว์มีมากจิวคนตายลงไปจิตวิญญาณมันเป็นสัตว์แล้วมันไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไงอันนี้คําพ่อแม่ปูย่ย่าตายายท่านผู้รู้สอนเอาไว้ เราต้องมีความละอายต้องเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างมนุษย์แปลผู้หักห้ามจิตใจไว้ได้ไม่ทําไปทําอารมณ์ไม่ทําไปตามใจซอบอยึงเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงเทวดาบ่นเนี่ยก็เป็นผู้มีความละอา ย, ยพระอินทร์พระพรมก็เป็นผู้เมตมีเมตตากรุณาหรือเตา่าเปรคาบมีพรมวิหารสี่มิเลี่ยนเป็นพรหมแล้วพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไป ก็เป็นพระเดียบุคคลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะ่ะแต่พระอรหันต์ในที่นี้ไม่ได้หมายอย่างพระอรหันต์อย่างที่มองเห็นตับไตไส้ปอดใส้ ป, อ ด, สปอดคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปมองเห็นรสตลี่คือเห็นจิตใจที่มันกำนึกกำลังมันนึกมันคิดที่ไม่ดีนั่นแหละอ่ะไม่คิดไม่คิดเลิกเลิกแต่กรส่วนมันเลิกมก็เลิกได้ถ้าเลิกไม่ได้แล้วก็กำมือเนี่ย เอาคมรู้ซึ้ไม้ที่มืมันก็วางจากความคิดอันนั้นมันก็เลยไม่ถูกปรุงเต่งอันนี้ขว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันบัดนี้ขันห้าคือลูกขันลูกอันนี้แี่ยมันไปทําเดียวขันเปลวมวดหมู่และปุ่มกองกันมาอย่างนั้นดังนั้นให้โยมเข้าใจว่าขันห้าคือลูกขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวินญาขันเขาเรียกขันห้าขันสี่บัดเนี่ยลูกไม่เอา คนตายแล้วเนี่ยมันไม่ไปทางไหนแต่กเอาเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันขันสี่นี่แหละไปเป็นผีไปเป็นเทวดาไปเป็นตกนรกทันว่าอย่างนั้นดังนั้นโยมมาฟังธรรมะที่อาจจะมามาแสดงให้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้ว เพราะว่าอาตมาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสะดวกภายในนั่นี้งกำลังเป็นโลกแต่โลกอาตมาก็เป็นเรื่องเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ขอให้ได้พูดธรรมะให้โยมฟังโยมนำไปประพฤติปฏิบัติอาตมาก็เห็นว่าเป็นสาวพุทธด้วยการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทันว่เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอจะเป็นสุขทำไมถ้าเราไม่รู้จักใจเรา ก็เครียดแค่แน่นใจหนักกบหนักใจคนนั้นพูดให้เราไม่ดีคนนี้พูดให้เราไม่ดีเราไปทุกข์เพราะเราไปยึดไปถืออย่าไปยึดไปถือทิ่งไปเลยเพันว่าอดีตอนาคตไม่มีเรื่องเลยให้อยู่กับปัจจุบันทันว่าอย่างไรถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วความโกรธหรือความโกละความเศร้าหมองจะไม่เกิดขึ้นเอาแหละท้ายที่สุดที่อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และยาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนสถานที่นี้